สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจาวิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซูตอนที่ห้าร้อยห้าสิบสี่เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ห้าสิบเก้าพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในฮีบรูบทที่สิบสามข้อที่เจ็ดผมอ่านจนถึงข้อที่สิบสี่นะครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าท่านหลายจงลึกถึงหัวหน้าของท่านผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดแก่เขาแล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขาพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวานันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจการอย่าหลงไปตามคำสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลยเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่ง และคนที่ปลนิบัติในเต้นนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประทานของจากเต้นจากแท่นนั้นได้เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเคยเอาไปเผาเสียนอกค่ายเหตุฉะนั้นพระเยซูก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์นอกท่ายนั้นแต่ยอมรับคำดูหมินเหยียดหยามเพื่อพระองค์เพราะว่าที่นี่เราไม่มีนครที่ถาวรแต่ว่าเราสแสวงหานาครที่จะมีในภายหน้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะใช้หัวข้อที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับกำลังใจนะครับก็คือ เราทั้งหลายต้องออกไปหาพระเยซูภายนอกค่ายถามว่าทำไมเราต้องออกไปหาพระเยซูภายนอกค่ายประเด็นที่สำคัญ ก, ก็คือว่าการมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานแบบพระเยซูนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นให้เราเรียนแบบพระเยซูครับพี่น้องครับในข้อที่เจ็ดได้บอกว่าให้เราลึกถึง คนเหล่านั้นที่ปกครองเราถ้าพี่น้องจําได้นะครับเมื่อวานนี้ผมให้คําว่าจงระลึกจงระลึกจงระลึกก็หมายถึงอธิษฐานนั่นเองแค่เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ปกครองแสดงว่าในขึ้นจักรของเรานั้นมีผู้ปกครองหรือผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการนํำขึ้นจักรของเราต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น ในปัจจุบันนี้คือจักอะไรขึ้นจกันจกนั้นก็มีคณะผู้นําหรือคณะผู้ปกครองก็ดีบางขึ้นจากก็อาจจะมีคณะธรรมกิจหรือคณะศรีบาลหรือคณะมัคคุนยกเป็นผู้นําคนต่างๆเหล่านี้ครับเป็นคนที่พวกเราทั้งหลายจะต้องอธิษฐานเผื่อท่านคําว่าปกครองท่านนั้นมีความหมายว่าคนที่มีชิ้เทียมหน้าหรือมีตําแหน่งผู้นําครับและผู้เขียนกําลังหมายถึงผู้นําแบบที่ได้ประกาศพระเจ้พระเจ้า แก่พวกเรานั่นหมายความว่าเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอนครับโดยเพราะอย่างยิ่งคนเหล่านั้นที่เทศนาพระชนะของพระเจ้าและสิ่งที่ถูกสื่ออย่างชัดเจนก็คือว่าคนเหล่านี้หรือพวกเหล่านี้ก็คือผู้นำํำขึ้นจักซึ่งหมายถึงศิทธิอภิบาลหรือบรรดาผู้ปกครองขึ้นจากนั่นเองสีธิบาลและผู้ปกครองขึ้นจากนั้นดํารงตําแหน่งในสิทธิอำนาจในขึ้นจากนั้นๆและพระเจ้าทรงบัญชาให้เราลึกถึงบุคคลเช่นนั้น และอธิษฐานเผื่อท่านด้วยในข้อที่แปดบอกว่าจงตามอย่างความเชื่อของเขานี่เป็นอีกคําสั่งหนึ่งนะครเดียวกันครับผู้ที่เป็นทฤษฎีบาลหรือผู้ที่เป็นผู้ปกครองผู้ที่เป็นผู้นําคริสจักรนั้นต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในความเชื่อเราได้รับบัญชาให้ตามอย่างความเชื่อของผู้นําฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ที่ดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายวิญญาณที่อยู่เหนือเรา คำที่แปลว่าตามอย่างนั้นมีความหมายว่าเรียนแบบครับหรือทำตามเราสุเกเจือนสติให้เรียนแบบความเชื่อของผู้นําผ่อยวิญญาณเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นผู้นาครับเขาจึงต้องแบกภาระใหญ่หลวงในการนําและในการที่ต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้คนตา ม, มนี่น้องครับการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้คนตามนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตที่สะดวกสบายหรือ ง, ง่ายเพราะฉะนั้นครับนี่แหละครับคือ ความยากหรือการทนทุกข์หรือความอดทนการกัดไม่ปล่อยของชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้นําผมเชื่อว่าหลายหลายท่านที่ฟังอยู่ในวันนี้นะครับก็เป็นผู้นําอยากจะให้พี่น้องที่จะเรากลับมาพิจารณาชีวิตของพวกเราว่าแท้จริงแล้วเราสามารถที่จะนําได้จริงจริงหรือเปล่าเรามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างจริงๆหรือเปล่า ว่ารีก่อนก็สุดท้ายในข้อที่เจ็ดนี่ก็คือว่าจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขาความหมายก็คือว่าเราควรจะจดจ่ออยู่ที่บ้านปลายของชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณผู้เขียนกำลังหมายถึงว่าเส้นชัยนะครับเส้นชัยหรือหลักกิโลเมตรแต่ละหลักและหลักและหลักและหละักนะครับและเส้นชัยแห่งชุดคริสเตียนและผู้ที่กําลังรอคอยอยู่นั้นนั่น เป็นการอั้นอิงถึงเรื่องของการวิ่งแข่งแล้วครับพี่น้องแล้วเห็นได้ว่าในพระกัมภีร์นั้นทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องวิ่งแข่งครับวิ่งแข่งเพื่อไปถึงเส้นชัยให้ได้และผู้ที่ยอคอยนั้นไม่ใช่อื่นไกลนะครับก็เป็นพระเยซูคริสต์นะครับผู้ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิจยการเพื่นอนครับถ้ามีพระกัมภีรนะครับซึ่งเป็นของเราเองให้เราขีดเส้นใต้ครับ พระเยซูคลิกยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้เวลาวันนี้และต่อไปเป็นน pues, ิจการอันนี้คือความหมายของคําว่าพระเยโฮวาครับพระเยโฮวานั้นทรงเป็นอย่างไรในอดีตพระเจ้าพระเยโฮวาก็เป็นอย่างเดียวกันในปัจจุบันและพระเจ้าพระเยโฮวาก็จะเป็นอย่างเดียวกันต่อไปในอนาคตไปเป็นนิจการพระเยซูก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นเหมือนเดิมอดีตปัจจุบันและอนาคต พระไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นคนที่เราไว้ใจได้เป็นผู้ที่เราไว้ใจได้อย่างร้อยอร์เซนต์ทรงเป็นผู้ที่สัตด์ซืทอและเป็นผู้ที่เราพึ่งพาได้เสมอในขณรเดือกันพระองค์เป็นพระเจ้าข้อก้าวบอกว่าอย่าหลงไปตามคําสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แต่คนที่หลงผิดนี่เลย พี่น้องครับคำศัพทแปลกๆนะครับบางทีก็ อ, กอร่อยพอสมควรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเรามักจะชอบของแปลกครับแต่พ่อพีบอกว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งด้วยพระคุณไม่ใช่อาหารการกินพี่น้องครับเราจะต้องมีการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณที่ต้องพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าอย่ายึดติดหลักคําสอนที่เป็นเรื่องภายนอกหรือคําสอนใหม่ๆที่แปลกๆนะครับคําว่าหลงตรงนี้ นะครับมีความหมายตามภาษาอังกฤษทขาว่า polyphilo <ot ip> จงระวังหรือนักอาจารย์หรือนักเทศที่อ้างว่าจะมีการสำแดงใหม่หรือหลักคำศัพทให ม, ใหม่พี่น้องครับตรงนี้ต้องระวังนะครับความจริงของพระเจ้าได้ปลูกถูกเปิดเผยนะครับมาเป็นเวลาสองพันปีแล้วพี่น้องครับหากมีคำาสอทใหม่ๆจะต้องสงสัยไว้ก่อนครับว่าถูกต้องตาม กระบวนการตามศาสนาศาสตร์ตามหลักการในพงพีหรือไม่พี่นะครับผู้เขียนประยุกต์ใช้คำเตือนสตินี้ว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยหารการกินปัญหาในขีจักรยุคแรกนะครับเกี่ยวกับการกังวลเรื่องการกิน <c oughs> การกินและการดื่มนะครับตามหลักของยิวนะก็มักจะบอกว่าพวกต่างชาตินั้น กินสิ่งที่ต้องห้ามหรือสิ่งที่เป็นมลทินก็เป็นการไม่เหมาะสมไม่สมควรคําสอนเหล่านี้ครับโผลมาอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับนี่หมายถึงบทบัญญัติของโมเสสและระเบียบการกินอาหารในทางกลับกันเราควรจะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณมากกว่าอย่าไปด้วยกฎบัญญตัติกฎเกณฑ์ต่างๆหรือชนิดของอาหารที่เรารับประทานแต่ตรงนี้นะครับ คนที่ชอบกินอาหารหรือยึดติดหรือเสพติดอาหารนี่ก็ได้รับกำลังใจและดรับการเตือนตรงนี้บอกว่าอาหารการกินนั้นอาจจะทำให้คนหลงติดอยู่ได้นะครับซึ่งถ้าเราหลงติดกับสิ่งเหล่านี้บางคนก็อาจจะโอเวอร์เวตหรือบางคนก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเองจากตรงนี้นี่เองนะครับผู้เขียนฮีบูบอกว่าเรานะครับควรจะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้น ด้วยพระคุณโดยที่เราอย่าหลงติดอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เคยเป็นประโยชน์ในข้อที่สิบได้บอกว่าเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปฏิบัติในพับพลานั้นไม่มีสิทธิจะรับประทานจากแท่นนั้นได้นะครับแท่นบูชาที่ผุดถูกพูดถึงในที่นี้ก็คือคนที่ปฏิบัติในพระพานั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประทานอาหารจากแท่นบูชาแท่นบูชาฝ่ายวิญ ญ, ญาณในสวรรค์นะครับพวกโปโรหิตในสมัยเดิม ได้รัอนุญาตให้รับประทานส่วนของเนื้อสัตว์แร่หาอื่นๆที่ผู้คนมาถวายได้แต่ก็ตามเรามีแท่นบูชาที่เหนือกว่าเยอะในสวนรรค์ต่อปลอดภัยที่นั่งของพระเจ้าซึ่งตรงนี้ครับพวกคนยิวนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้และในข้อ112นะครับก็พูดถึงเรื่องของเครื่องบูชาไถ่บาปที่จะต้องถูกเผานอกค่ายก็เปรียบเทียบเป็นภาพที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ก็ถูกตึงังเขนนอกประตูเมืองเย er รูซาเล็มพระองค์เปรียสุคริสต์นั้นทรงทําให้คำพยากรณ์ที่แฝงอยู่สําเร็จ นะครับที่บอกล่วงหน้าถึงสถานที่ที่พระองค์จะทรงถูกตรึงนะครับจากตรงนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับว่าเราถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์และแนวคิดการชำระให้บริสุทธิ์นั้นก็คือทําให้ปราจากมนทินครับพระเยซูได้หลั่งพระโลหิตของพระองค์และพระโลหิตของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราบริสุทธิ์ชำระเราให้บริสุทธิ์นะครับและความบริสุทธิ์นั้นที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเนรเื่อยๆในการดำเนินชีต แต่ละวันเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปในวันนี้นะครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ทําให้เราทั้งหลายต้องเรียนแบบครับรเปียชูสมควรแก่การเรียนแบบเพราะฉะนั้นผู้นำํำขึ้นจักเองต้องเรียนแบบพระเยซูครับและอย่าลืมพระโลหิตของพระเยซูเป็นพระโลหิตที่ชําระเราให้บริสุทธิ์นะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องเคารพยกย่องเราจะต้องดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือผู้นำํำขึ้นจักสีลให้บาน พวกของเคสจากอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อที่ให้เขานั้นมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างอย่างแท้จริงอาเมน